ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงปพิญยากำลังนำเสนอภาวนาประธานคือเพียงพยายามในการเจริญกุศลซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มีความสำคัญตำนองรับประทานอาหารหรือกินยาและจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการในภาคสนามคือภาคปฏิบัติ อาหารที่รับประทานเข้าไปนั้นก็จะเพิ่มความอิ่มและตัวความอิ่มจะไปกระจัดสาเหตุของความผิวแล้วเมื่อสาเหตุของความผิวถูกกระจัดความผิวก็ลดลงไปโดยลาดับพอความอิ่มก็เกิดเต็มที่เหตุยุบก็หมดไปความยุบก็หมดไปตามแต่มาในแนวนี้ก็แนวของกุศลธรรมส่วนเทตอย่างที่กล่าวไว้ กบันกรได้พูดถึงบา ร, รมีมาถึงปัญญาบา ร, รมีแต่ก็คงจะมาสรุปที่วิริยะบา ร, รมีนะครับเพราะว่าเรากำลังพูดเรื่องวิริยะกันอยู่วิริยะนั้นเป็นหลักการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นธรรมะนำแต่หากว่าท่านผู้ฟังได้สังเกตธรรมะประเภทอินทรีย์ห้าหรือพะละหาเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยเขานำด้วยตัวเองเขาได้ พระเจ้ทรงอุปมาให้ฟังว่าเหมือนกับสหายห้าคนไปไหนมาไหนด้วยกันเมื่อไปบ้านสหายคนใดคนนั้นก็ทําหน้าที่รับผิดชอบต่อเพื่อนอีกสี่คนแต่ว่าเมื่อมาถึงในวังเนี่ยปัญญาซึ่งเปรียบเหมือนราชกุมารธรรมะอีกสี่ประการนั้นเหมือนบุตรธรรมะ่็คือทุกคนต้องอยู่ในความรับผิดชอบของพระราชกุมาร จะแสดงว่าปัญญาเป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นสาระเขาเรียกปัญญาสาระเกิด้าพูดส่วนเหตุที่จริงส่วนผมก็เป็นอาการที่ปรากฏต่อนเนื่องคือว่าเป็นผู้รุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญานั่นเองเพราะเราจึงพบพระพุทธพาสิต ท, ที่ทรงแสดงถึงคุณของกุศลธรรมทั้งห้าข้อที่เรียกว่าพระห้าริมศรีห้านี้ สตัตยาตาลติโอคังบุคคลข้ามพวกน้ําคือกิเลสได้แตยศรัทธาคือหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้เลยโดยสธานนานะฮะไม่ใช่ศรัทธาโดยลาพังวิริย์นะดุกมัเจติคนร่วมทุกได้เพราะความเพียรคือวิริยะเนี่ยนำเนี่ยก็สามารถหลุดพ้นจากสังสาระทุกได้สติโลกสมิชาครูสตินิพุกจิตของบุคคลให้ตื่นจากกิเลสชนิดชาคือการหลับโดยอำนาจของกิเลสได้ สมาธิพิเกเวภเวธาสมาหิโตยถาปูตังประชานาติดุกรนพิสูตทั้งหลายแต่ทั้งหลายจงทำสมาธิให้เกิดเพราะบุคคลที่มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้เห็นในความเป็นจริงก็แสดงว่าสมาธิก็เป็นผู้นำไปสู่มรรคนิพพานได้ปัญญายะบริสุทธิจิบุคคลยบริสุทธิหมดจดได้ด้วยปัญญาก็ไปทรงกับข้อว่าสจิตะประโยชน์ปับปังในการนำจิตให้พอแคล้วหรือการนำจิตให้บริสุทธิ ก็แสดงว่าจิตจบริสุทธิ์ได้ก็ต้องอสสาศัยการพัฒนาปัญญาขึ้นไปเพราะว่าสัพพคิเลสไม่มาจากอาวิชชาปัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่ออวิชชาเมื่อปัญญาสมบูรณ์ก็ขจัดอวิชชาออกไปได้อย่างสิ้นเชิงจิตใจก็บริสุทธิ์แล้วก็รุ่งเรืองปัญญาจึงเป็นปัญญาโลกสมิปัจุโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก เพราะลักษณะของความเพียรเนี่ยมันเป็นผืนปกติภาพของมนุษย์ที่ถนอมตัวเองเห็นแกนตัวเองแล้วต้องการความสุขความสบายส่วนตนวลักษณะของความเพียรท่านจึงบอกว่ามีอุตสาหะด้วความอุตสาหะความบักบันความประรบความเพียรการไม่ทอดทุระต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะที่ปรากฏให้เห็น เป็นคนขยันอ่านหนังสือขยันทำงานสักขยันปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆนั้นจะไม่คำหนึงถึงหนาวร้อนเชาวสายบายเย็นฝนตกแดดออกอะไรต่แงๆจะไม่คำหนึงแต่จะมุง่งมั่นไปสู่ผลสําเมร็จเป็นประการสําคัญแม้จะมีอุปสรรคอะไรขัดขวางอยู่ข้างหน้าท่านก็ไม่ได้หวาดหวั่นอุปสรทคอันตรายตหล่านั้นอีกเคยยกตัวอย่างว่าวิจารณ์ทรงอุ ป, ปมามันก็ผ่านติดท้ทยด่าไปเลย แต่ถ้าเราดูปัจจุบันให้ชัดเด่นเหมือนกับแท็กเตอร์อนะฮะคือลุยไปเลยไม่รู้ว่าอะไรจะฟังอยู่ก็ตามะฮะสามารถที่จะบุกบั่นไปสู่จุดหมายปลายทางได้แล้วก็มีการหนับสนุนทำที่เกิดร่วมกันหมายความว่าอย่างไงเช่นสมมติว่าศรัทธาเนี่ยให้ลองสังเกตว่าถ้าเราศรัทธาต้องการจะไปไหว้พระเจดีย์ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่เพียรไปมันก็ไม่สําเร็จจะเกิดสติรุนึก จะรู้จะทํำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เราไม่ทำความเพียรมันก็ไม่สําเร็จเราต้องการที่จะทําสมาธิปรารถนาผลสุขความสงบของสมาธิแต่เราทําไม่เพียรมันก็ไม่สําเร็จแล้วก็ปรารถนาที่จะใช้ปัญญาแต่ไม่เพียรพยายามในการพัฒนาปัญญาสร้างปัญญาใช้ปัญญาเนี่ยก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะงั้นมันจะ มีลักษณะเข้าไปส่งเสริมกนทุกเรื่องพูดง่ายว่าทุกเรื่องแหละไม่ว่าอะไรก็ตามเราต้องการผลที่สงบเป็นนิยงเยือกเย็นยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามถ้าหากว่าไม่มีความเพียรพยามุ่งมั่นไปสู่ผลอย่างนั้นความสาเร็จก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นถ้าริงเรียกว่ามันเป็นธรรมะที่มีการอุดหนุนต่อธรรมะที่เกิดร่วมกัน หมายความความเพี้ยนคล้ายๆกับที่ยกเคยยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะมันเหมือนกับขนมไทยหรือเหมือนกับสีนะฮะแต่ยังว่าสีมันมีแม่สีอยู่เพียงสามสีเท่านั้นเด่นแต่สีในโลกนี้มันเป็นร้อยๆนะครับไม่ตัวกี่ร้อยสีก็ยังไม่เคยถามนักที่รู้เรื่องสีว่าสีจริงๆเนี่ยทาได้กี่กีส่สีแต่ก็เยอะเหลือเกินนะฮะแต่ฟังที่มันมาจากแม่สีเพียงสามสีเท่านั้นเด่เพราะธรรมะทั้งหลายเนี่ย มันทุกเรื่องเนี่ยจะเป็นการละ บ, บาปก็ต้องมีความเพียรจะเป็นการป้องกันบาปก็ต้องมีความเพียรจะเป็นการเจริญกุศลก็ต้องมี <Wow. S 1> ความเพียรจะต้องการรักษากุศลก็ต้องมีความเพียรเพราะความเพียรมันกลายเป็นตัวหลักตัวอุปการะสนับสนุนสน่งเสริมเข้าไปมันไม่มีการขับเคลื่อนนะฮะเพราะความเพียรมันเป็นพลังขับเคลื่อน เมื่อเราสังเกตสมมติว่าเราจเจริญกรรมาฐานเราต้องการจะภาวนาพุโทโธหายใจเข้าบอกพุทห้ยใจออกว่าวโทเนี่ยก็ตั้งสติแล้วรู้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแล้วก็บรรพุโทโธมีสัมปชัญญะรู้ตัวแต่ถ้าขาดความพยายามเนี่ยประเด็นพุโทโธก็หายนะฮะประเด็นสัมปชัญญะก็หายเพราะความพยายามจะต้องต่อเนื่องก็กลายเป็นพลังกับเคพื่อนที่มุ่งไปสู่ผลสูงสุดในเรื่องนั้นๆ แล้วก็บนเส้นทางเนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องเอาทุกความเดือดร้อนเนี่ยมาลงพุนแล้วเก็บเกี่ยวผลคือความสุขเอาข้างหน้าคือไม่มีความสุขอะไรที่เกิดขึ้นได้โดยขาดการใช้ความเพียรพยายามตอนคนที่ทํางานจึงต้องไม่ท้อถอยเกิดศาสใดชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปเรื่อย นแส ด, แดงว่ายามวายามเมเตวะปุริโสยวาอาตสานิปะดาบุคคลจะต้องใช้ความเพียรพยายามไปจนกว่าจะสําเร็จประโยชน์ตามที่ตนต้องการหกล้มหกลุกซ้ํซ้ซากซากผิดถูกๆผิดผิดก็ว่ากันไปเรื่อยๆผลแสดังของความเพียรพยายามตรงเนี้ยถ้าเราไม่ทอดทิ้งคือบางครั้งบางคราเราจะได้ยินคำว่าขนทั้งไงเป็นเข็ม เป็นการแสดงถึงความเพียนที่เอาจริงเอาจังเลยท่านตั้งใหญ่นะทำให้เป็นเข็มมันก็เป็นอุปมาเทียบเคียงนะฮะแต่ว่ากันที่จริงก็สมมุติว่าทำให้เป็นเข็มก็ไม่รู้จะผลท่ า, ทางไปทำอะไรเราแต่ท่านดูให้ดูว่ามันต้องใช้เวลาใช้ความอุตสาหะใช้ความต่อนึ่องจนกว่าจะเผดประสบความสาเร็จได้นยะ เพราะลักษณะของความเพียรจริงๆ จ, ง จ, ง จ, งจึงไม่หวั่นต่ออุปสรรคอันตรายดังนั้นความเพียรท่านจึงเรียกว่าวิริยะนะฮะ ค, คอือชื่อชื่อชื่อจริงๆเนี่ยก็วิริยะโดยการกระทําของบุคคลผู้ปราศ้าหานจรึงชื่อว่าวิริยะยในหนึ่งธรรมชาติอันบุคคลนําดําเนินไปพื่ให้เป็นไปโดยการดํารงไว้อย่างวิเศษโดยนั้นธรรมชาตินั้นก็ชื่อว่าวิริยะคืได้แก่ความอุตสาห ยามพระโพธิสัตว์ของเราบำเพ็ญวิริยะบา ร, รมีในสมัยที่เป็นประมาชนกจึงเป็นชาดกที่คิดมากนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนิพนธ์แล้วก็นำไปก็เรียกว่าขยายผลออกมาในลักษณะต่างๆเป็นนั้นมากเป็นการ์ตูนบ้างเป็นเล่มเล็กเล่มใหญ่บ้าง น, นะครับว่าเป็นถึงสีดิรอมเป็นอะไรไปแล้วเพื่อบุกเลาให้เกิดความเพียรพยายาม มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปวันก่อนอย่างนึกชอบใจท่านประธานสาร ร, รัฐมนูลที่ท่านประกาศเรื่องคดีของท่านนายกกับอีกคนหนึ่งนะนะคืนานๆเราจะได้ยินทางราชการพูดอ้างว่าพุทธเจ้าเนี่ย น, นานๆเราจะเจอนะะแต่ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีทักษิณเข้ามาเป็นเนี่ย เราเรียกได้ว่าเวลากล่าวอา l ม r ประกาศากล่าวอะไรต่อไะไรก็ดามมักจะมีการอ้างพระพุทธเจา้าเพราะนั้นท่านประธานศาลและรรรมณูอ้างหลายอย่างอ้างอคติที่จะต้องงดเว้นสีประการอ้างการามาสู่เทตุนี่ไม่ควรถือเอาสิบประการแล้วก็ หลักการวางใจตัวเองหรือทำใจของตัวเองในกรณีที่เมื่อมีการตัดสิ น, นไปแล้วเนี่ยมันต้องมีคนชอบไม่ชอบเพราะธรรมดามนุษย์เราเนี่คนรัก้ะปืนหนังกว่างังตะปืนเสือผนขอให้ทำใจเป็นอุเบกขาแต่ทําใไม่อธิบายเดี๋ยวามาถือว่าเออเก้กนะิ่งเงยยกธรรมะมาแล้วก็สอดคล้องกับแต่ละเรื่อง นะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก่อนหน้านั้นมันจะมีการสร้างกระแสข่าวในด้านต่างๆาแพ้อย่างนั้นแพ้อย่างนี้ชนะอย่างนั้นชนะอย่างนี้มันก็สับสนไปหมดแหละนะคนบางคนอาจจะไปเล่นพ น, นันอะไรกันไว้แต่ถ้าอย่างงั้นก็แสดงว่าคุณไม่ปฏิบัติตามหลักที่จะต้องใช้ปัญญาใคร่ควรสอดส่องพินิจิจารณาถึงแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆว่าควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะฮะ เราก็จะ้างเหตุที่ไม่ควรถือเอาสิธประการในกาลามาสูตรจต่หมายความว่าก่อนจะถือเอาือไม่ใช่ปฏิเสธเลยนะฮะก่อนจะถือเอาก่อนจะเชื่อถือเนี่ยก็ใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงตรวจสอบสอบทานกันให้ดีซะก่อนไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะมาจากคนหรือว่ามาจากอะไรก็ตามเพราะลักษณะการทํางานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ยังนึกถึงภาพพิษุนีท่านหนึ่งแต่เทียบแล้วท่านกระบวดมันน้อยกว่าอาตมานะเหนท่านยี่สิบภาพปีนี่ท่านบาําเพ็ญเพียรเนี่ยไม่ประสบความสงบเลยท่านบอกว่าแม้ขนาดจิตเดียเนี่ยมันไม่สงบเลยแต่ท่านมีความเชื่อมันว่าคนเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าไม่ทอดทิ้งความเพียร แล้วในทีสุดท่านก็มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งท่านก็สามารถบรรลุมรคผลเป็นพระหานได้ความเพียรพยายามของคนเป็นนั้นมากหรือแม้แต่พระอานนท์เทระเธอจะเห็นว่าพระอานนท์นั้นก็คงจะคิดว่าคงบวชเราสามสิบกว่าปีนะฮะตอนเราปฏิจจาวนิพพานเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นท่านอายุ8ปดสิบแล้ว บำเพ็ญพยายามแบบหามรุ่งหามค่ำกันเลยใช้ความเพียรอย่างต่อนเนื่องจนรู้สึกว่าเพียรมากไปคือความเพียรนอย่าลืมว่ามันเป็นทางสายกลางนะับนนี้มันอยู่ในมันชฌิมาปฏิปทาทั้งหมดและภพกุศลนิธรรมส่วนเหตุต่างหลายเนี่ยความเพียรหย่อนไปมันก็ถึงช้าหรือไม่ถึงความเพียรมากไปมันก็เครียดแล้วอาจจะเลยไปซึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร มันต้องปรับความเพียรประคับประคองให้ดีเหมือนกับคนไถนาอย่างสมัยโบราณเราจะเห็นว่าตัวแอกที่คล้องบนคอโ ค, คนั้นจะต้องควบคุมให้สม่ําเสมอกันอะไรล้ํามากเกินไปหรืออะไรย้อนมาข้างหลังเกินไปมันก็เดินหน้าไม่ได้เพราะโดยหลักการแล้วเนี่ความเพียรกับสมาธิเนี่ยต้องจะต้องควบคุมให้อยู่ เพราะถ้าหากว่าสมาธิมากไปแต่ความเพียรน้อยนะฮะมันไม่เป็นสมาธิมันเป็นหลับแต่ถ้าหากว่าความเพียรมากไปสมาธิมันก็ไม่เกิดจิตใจมันก็ฟุง้งก็วิ่งไปน้อนวิ่งไปนี้ก็ควบคุมไว้ไม่อยู่แต่ถ้าเราควบคุมระหว่างวิริยะกับสมาธิให้ประสานสอดคล้องกัน จิตก็จะดำเนินไปสู่ความสงบได้ในโอกาสเนี่ยและการสำคัญในทางาศาสนาที่เรามองบางทีมองเป็นภูเขาเรล่ากามองเป็นเรื่องยากเกินไปเมืก่อนดูข้อสาธิตอะไรอะใ น, ในข่าวทรทรัศน์พระรัตสาธิตวิธีแกะสลักก้อนน้ำแข็งทั้งก้อนน่ะเขาเรียกอะไรก้อนใหญ่ ให้เป็นปลาไปในห้านาทีเรานั่งนึกว่าโอ้มันจะทําได้เลยไม่น่าเชื่อนะเขตั้งนาฬิกาให้ดูเลยก็าตามเสร็จไปในห้านาทีนั่นคือความเพียรจนชำนิชนานาญแล้วเราจะเห็นว่าเป็นอาการประสานสอดคล้องกันกับระหว่างความเชื่อมั่นความเพียรสมาธิสติปัญญากิจธรรมทั้งห้าข้อเนี่้เขาประสานสอดคล้องกันเอาเป็นอาการ เอาเป็นอาการที่หนุนเรื่องกันไปเป็นกระแสหลั่งไหลในขาดสายกลายเป็นความสําเร็จในเวลาที่รวดเร็วโดยไม่น่าเชื่อเพียงนา ท, ที่จริงเป็นเวลานิดเดียวมากนะให้ไอ้คนเราที่ไม่เคยฝึกปรือมาเนี่ยมาความเราไม่มีความรอบรู้มาเนี่ยเราก็สูญเสียความเชื่อมั่นล้วทําไม่ได้อ่ะไม่มีใครทาได้เพราะฉะนั้นแต่และเรื่องเนี่ยธรรมะเหล่าเนี้ยจึงจะต้องประสานสอดคล้องกันต้องมีความเชื่อมั่น ว่าทําได้ไม่ได้ก็ต้องได้โดยใช้ความเพียรพยายามทดลองแล้วลองอีกนะคนหนึ่งก็อาจจะทําได้ในเวลาสั้นเราทําไม่ได้เราก็เพิ่มเวลาขึ้นน่น้องก็เป็นอย่างนั้นเนี่นะฮะอย่ารเราเรียนหนังสือบางทีเพื่อนก็ไปลิฟท์แล้วก็อ่านหนังสือไปได้เยอะแล้วก็ท่องไปได้เยอะแล้วเรายังไปไม่ถึงไหนเราก็เพิ่มเวลานี่นเวลาเป็นของเรา เพื่อนก็นอนสี่ทุ่มก็นอนแล้วเราไปนอนเช้าคืนใช่แล้วก็ต่อไปอีกสองชั่วโมงนะในสุ่มก็เรียนทันกันได้เพราะเวลาเป็นของเราก็เราเพิ่มเมาเพื่อนเขาท่องตรงนี้จําได้ในเวลาเร็วเราจําไม่ได้เราก็เพิมเวลาขึ้นมาท่องเพรา ะ, ะลักษณะของความเพียนเนี่ยจึงเรียกว่าตรงมันเกิดจาก ก็ะต้ตนเห็นคนเขาใช้ความพยายามประสบความสําเร็จเนีน่ยาะแนวเรื่องราวต่างๆที่เล่าถึงบุคคลทั้งหลายเนี่ยจะเล่าถึงคนที่เ้าหกล้มหกลบประสบความสําเร็จหลายปีมาแล้วประมาณตั้งสี่ห้าปีมาเนี้ยนะได้อ่านประวัติของเศรษฐีที่ฮ่องกงคนหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่หนีไม่จากแผ่นดินใหญ่มาอยู่จีฮ่องกงก็หนีครั้งหน่ง กระลบๆสั้นๆและในสุดก็ตายอันดับไปจากขอทานนะฮะจากขอทานเป็นคนรับใช้แต่ทำงานเขาแล้วก็เป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรเป็นพ่อค้าย่อยพ่อค้าหาเปรีะไถ่ายตายไปเรื่อยๆเลยไม่น่าเชื่อ ว, ว่าเวลาเพียงยี่สิบกว่าปีนะฮะคือตอนก็เป็นเศรษฐีเนี่ยอายุเขาก็สี่สิกว่าก็ตีแต่ว่าเอาเอาเอาสามสิบปีอะไรกัน แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเริ่มตรงไหนอะแต่ว่าอายุตอนนั้นเนี่ยเขาสี่สิบปีเพราะประสบความสำเร็จเป็นเศรษฐีที่น่าทึ่งก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยเวลาก็ทํางานเนี่ยไม่ว่าสิบกชั่วโมงเนี่ยก็ เ, เยอะแล้วคนนี้ทำสิบแปดชั่วโมงทั้งสิปดชั่วโมงก็แสดงว่าเวลาเหลืออยู่แค่หกชั่วโมงทั้งกินทั้งอาบน้ําทํากับถ่ายทั้งอะไรแต่อะไรทั้งนอนทั้งอะไรมันอยู่ตรงนี้ การเดินทางนี้อยู่ในไอ้ช่วงหกชั่วโมงเนี่ยสิบแปดชั่วโมงเป็นเวลาทํางานน้องแกการพักผ่อนคงไม่พอแน่นอนแต่ว่าสุขภาพพา ร, ราไดมก็คงจะมีการบริหารอะไรกันพอสมควรก็ตั้งนาฬิกาสองเรือนเนี่ยให้มันปลุกต่อเนื่องกันไปนอกการเรือนใหญ่บางทีก็เพียมม า, มากมันก็ตื่นไม่ไหวเหมือนกัน วันเรือนที่สองปลุกเนี่ยต้องลุกขึ้นแต่ให้สัจจะปฏิญาณกับตัวเองเอาไว้ว่านาฬกาปุกต้องลุกขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามในสุดก็กลายเป็นเศรษฐีได้อย่างขยันไม่หยุดเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนนั้นเขาฮ่องกงยังอยู่ในกวัวครองของอังกฤษอยู่นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงว่ามันมีตัวตนบุคคลที่กระตุ้น เวลานี้มีรายการบางอย่างที่เอาคนซึ่งประสบความสำเน็จมาจากไตอันดับเล็กๆน้อยๆเป็นกรรมกรเล็กๆเป็นลูกชาวนาชาวสวนเป็นกเกษตรกรแล้วก็สู้ชีวิตกันมาเรื่อยๆพต่ยันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาประสบความสำเน็จในชีวิตมายกย่องมาเชิดชูม า, ม า, มาทําให้เป็นตัวอย่างก็เป็นการกระทําที่ควรแ ก, กร่การมโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งนะคร เวนเนี่ยมันสังคมต้องช่วยเหลือกันแล้วก็ดีใจที่ว่าจะมีรายการธรรมะกระตุ้นเตือนในด้านธรรมะแล้วก็มีคนรุ่นหนุ่มเข้ามาทํางานในด้านธับมากันมากขึ้นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนะฮะหรือมองเห็นปัญหาต่างๆว่าความเพียรพยายามทั้งหมดนะคุณจะล้มเหลวถ้าคุณไม่เพียรพยายามในการละชั่วประพฤติดี แล้วก็ทําจิตใด้สะอาดขึ้นไปเรืเร่อยๆก็ที่จริงแล้วช่วประพฤดีนะ ใ, ใจมันก็สะอาดแล้วมันเป็นอาการที่ต่อเนื่องคือบางทีเราไม่ได้มองกระบวนการนะละช่วประพฤติดีทําจิตใด้ผองแผ้วเนะี่ยถ้าเรามองจริงๆเป็นกระบวนการเนะี่ยช่วงหมดเนี่ยดีสมดูลก็คือจิตที่ผองแผ้วเพราะจิตผองแผ้วที่จริงมันเป็นเป้าเลยซ้า ไ, ไปนะ เป็นวิโรธอะเป็นวิราคะป็นจิตที่ปราศจากความกำหนักปราศจากกิเลสทั้งหลายซึ่งอาศัยการละเชืวว่รไปพฤตธีอย่างสมมูติที่จริงมาจากรุธีนะฮะก็จากภาวนาประทานอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะลักษณะของความเพียรจึงมีจยงหนงก็คือมีความสลดใจเป็นเหตุกายเกิดมั่นอาจจะเกิดมองเห็น อะไรบางสิ่งบางอย่างปัญหาบางอย่างาที่เกิดขึ้นก่คนบางคนแล้วก็เห็นว่าคนหเหล่านี้ถ้าหากว่าก็าใช้ความเพียรพยายามหน่อยเนี่ยเขาก็ไม่เป็นอย่างนี้แต่เพราะว่าเขาไม่ยอมใช้ความพยายามพยายามช่วยเหลือตัวเองคือกูนกับตัวเองนะผลที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นก่เขาแล้วกเกิดความสลดใจ ปัญหาสําคัญเวลาเนี่ยคือวันก่อนอ่านอะไรอะ่ะเขาสัมภาษณ์พวกที่สนามหลวงเนี่ยอาชีพต่างๆคราฟังแล้วเราเห็นเป็นกระบวนการแต่ว่าก็อีกแหละฮะมันมันเป็นปัญหาที่มันแก้ยากคือเราจะเห็นว่ามันเริ่มมาจากความไม่รู้แต่ถ้าถามว่ามันความไม่รู้นี่มาจากไหนทําไมตอนเด็กเธอไม่เรียนหนังสือนะเธออาจว่ายากร้ายแต่ถามว่าคนที่ยากร้เนี่ยเขาเรียนหนังสือได้ไหม มันก็มีนะฮะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยที่จริงมาจากดินสู่ดาวคนที่เป็นเศรษฐีคนที่เป็นใหญ่เป็นโตแม้แต่ท่านนายกก็มีเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยก็ที่จริงก็เป็นคนจนมาก่อนเพรปัญหาที่เราจะต้องงองเนี่ยเวร น, นี้ก็มาเรียกร้องความเห็น อ, อกเห็นใจความเข้าใจจากสังคมแต่ถ้าเรามองทบทวนเนี่ยเอาสแสดงมาตอนเป็นเด็กเนี่ยเธ อ, เอก็ขี้เกียจเธอไม่ตั้งใจศึกษาเราเรียน เอาไว้มีๆๆๆๆความรู้ความรู้นี่มันไม่มีใครมีหรอกความรู้ไม่มีใคร opaque, มีทุกคนต้องเรียนทุกคนต้องศึกษาทุกคนต้องค้นคว้าเอาแล้วไม่มีใครช่วยใครได้มันเหมือนกินอาหานะต่างคนต่างกินต่างคนต่างอิ่มต่างคนต่างอร่อยมันมีใครช่วยใครได้ในเรื่องแบบเนี้แล้วมาเรียกร้องความเห็นใจอะไรต่างๆมันก็น่าเห็นใจแต่ถ้าคนใช้วิธีเรียกร้องอย่างนี้แล้วบ้านเรือนจะอยู่อย่างไง ไม่ต้องจัดระเบียบบ้านเมืองอยู่กันตามสบายเนึ่งจะทําอะไรก็ทํากันชาติบันเมืองจะสูญเสียไอชื่อเสียงยังไงก็ทํากันไปมันไม่ใช่อ่ะเราจะเห็นว่าในทุกลำดับขั้นตอนเนี่ยเราขาดความพยายามถ้าเรารว่ามาโง่เพราะทุกคนโง่ด้วยกันนะเกิดมาไม่มีใครฉลาดแต่คนหราเกิดมาก็โง่ามาด้วยกันก็ไม่รู้อะไรเลย แต่ว่าเขาใช้ความเปลี่ยนพยายามฝึกปลื้มปฏิบัติพัฒนาตัวเองมาอย่างต่อเนื่องจากไม่รู้กลายเป็นรู้จากไม่เข้าใจกลายเป็นเข้าใจจากไม่เป็นกลายเป็นเป็นจากทาไม่ได้เป็นทําได้เนี่ยแล้วก็ในที่สุดเขาก็มีงานทําสามารถประกอบอาชีพอะไรก็ได้คือบางคนไปอ้างหน้าเกลียดนะฮะและประกอบอาชีพที่ที่ดูแล้วน้าหน้าหดครูหรืออายุมากด้วยนะที่คนสัมภาษณนะ์เนี่ยอายุมากด้วย ว่าจริงๆมันมีงานเยอะนะฮะมันมีงานเยอะชี้าหารพอเรามีความมันขยันมีความตั้งใจแล้วคนส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดแล้วกลับไปบ้านเนี่ยมันมีอะไรอีกเยอะที่ที่รอการทํากันจากการกับเราอันนี้เพราขี้เกียจใช่ไหมถ้าลองถามใจตัวเองเราจะเขาบอกทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีขี้เกียจอยู่ คามเพียงพยายามจึงไม่มีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปในทางที่สร้างสารรค์พัฒนาทั้งฟังกันงหลายแต่หวงปูพุทยญาในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง อ, อกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังตั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี